จะมาบวชแต่ก็ยัมาสอนนักเรียนเด็กๆที่เขามาฝากท่านด้วยแล้วมีความรู้ทั้งครูด้วยอพอดีท่านปราจารย์และขบวนธรรมไปเปิดการปฏิบัติธรรมที่บ้านตะเนินเพื่อนกันที่อยู่บ้านตะเนินส่งข่าวไปบอกว่าไอ้เกเรคนไทยคนลรก็เด็ก ไ, ดไอ้เกร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 นั่งพับเพียบก็ยากนั่งแคทมารก็ยากท้องมันเยอะท้องมันใหญ่ต้องพิงเสาหาเสาสลากใครอย่ามาชิงฉันฉันจะเาสาสลาพิงแล้วเป็นยังไง <c oughs> หลับเลยปุ๋ยเลยน้ <c oughs> องสาวมามาด่าเฮ้ยกระลุงอะไรเฮ้ยาไปหมดแล้วเรานอนหลับปุ๋ยเลย <c oughs>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 เจวันไปเจอหลวงพอ่อหลายองค์นะอาจารย์ท่านไม่ไปอลวงพอ่อจำก็ไม่ไปอาจารย์วิ ม, มุลไปเจออาจารย์วิมุลอ่จารย์กฤติฎีดีแล้วเราก็เข้าใจนะอีกเจ็ดวันไปหลวงพ่อไปทูลไปถึงหลวงพ่อไปทูลได้สามวันเดินคาแตกคาแต็นเกิดอยากบวชเกิดอยากบวช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 ค่อยเทาออกขอมเป็นสี่เด้นี่ยค่อยเทาออกข้อและมีเข้าอยู่ด้วยมีเชือกอยู่ด้วยเปรีย บ, บเทียบเจ้าของเจ้าของเขามาหลอกะลึงเข่าข้อเมื่อใอเนี่ยเสียก็มีเข้าก็มีนะจะลึงเข่าข้อเมื่อใดในที่สุดปีที่สามตัดสินใจจะไปหาอาจารย์มหาดิเลรก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 เห็นที่อยู things, ่แล well. ้วเห็นที่ตายแล้วจะไปหนีไปไหนอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ตั้งสร้างศาลาขึ้นตั้งกุฏิขึ้นที่ไปนอนอยู่นี่แหละนะเนี่ยโยมก็มาจากบ้านของรีอาจารย์เจียาให้ไปปีห้าห้าหนึ่งมาจากวัดทุกโตจักระยองมามาจำบรรษาจนปี ให้ไปฝ้าวัดนะให้ไปฝวัดพรรษานี้แล้วท่านก็จะกลับไอ้เรากับจันจียาก็เคยอยู่ด้วยกันมานะก็เป็นหลวงพ่อบอกง่ายก็เลยไปช่วยเหลือท่านท่านจะไปหาเงินมาสร้างสลาเราก็ไปไปอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็กลับมาที่วัดเดิม น, ะนาช่วยจย์พงษ์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 ส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆคนแก่ไม่เคยเห็นคนแก่มีน้อยนะมีคนหนุ่มๆแล้วนักปราพ่ อ, พ อ, พ อ, พอแม่มาเนี่ยทํทำให้วัดคองรีเจริญตรงนี้แหละตรงเจริญตรงคนหนุ่มคนสาวเข้ามาเพราะเขามีปัญหาและเราก็สามารถที่จะแนะนาในการแก้ปัญหาของเขาโดยการใช้หลักของสติคมรู้สึกตัวหลงพระเทียนนี่แหละนะโดยยืนหยัดไม่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 <c oughs> และจบปริญญาโทนะอันนี้แหลกะก็ได้อธิบายกันไปในสุดเขาก็เข้าใจอย่างเราโอ้จริงจริงอย่างหลวงปู่พูดตติอยู่ที่ตัวเราเจิมว็เราต้องเจิมเองอยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่ตีนที่มือของเราะไม่ใช่รถคันนี้เขาเจิมมาแล้วถนนน้นทางเขาก็เจิมแล้วแล้วก็สี่แยกห้าแยกเขาก็เจิมแล้วโอ้ยอดูที่เราถ้าหลวงปู่ไปเจิมก็เจอมไม่ถูก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 แล้วเวลายกมือเดินจงกรมก็อยากจะให้มันถึงธรรมะไหวๆมันบ่เห็นหาย น, อ ง, อ, าาย <c oughs> นองปูคือมาหายอปูคือบาหายเนี่ยเห็นไหมที่เขาวุ่นวายมาหนาดํําคาเครียดมาเนี่ยมาเดินจงกรมมานั้ ง, งจังหวัดเวลาหนึ่งวันครึ่งวันเขาก็บอกว่ามันไม่หายทํำยังไงอืเนี่ย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 บวชสัน้นๆก็มาที่วัดของรีอัตมาเองก็บวชให้เขาแบบง่ายๆ่เอามาแบากจนคนเค้นอะไรก็ามาถเรื่องอัตตาบริขารอยู่ที่วัดเยอะเนี่ยเราก็บวชให้เขาได้และก็ง่ายๆนี่แหละการปฏิบัติดนะัะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้อง มอกกายถวายชีวิต จ, จ, จริงจงจริงจะเป็นไปได้และเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ลงปู่ได้ชีวิตใหม่บอกบอกตรงๆ อ, อย่างเงี้ยชีวิตใหม่ชีวิตที่อยู่ซื่อๆตรงๆไม่มีลูกมีหลานไม่มีอะไรปันญะเม้แต่การก่อสร้างเป็นจาวาดเป็นพระครูก็มีจะชื่อเฉยๆทำตามหน้ า, ท, า, ท, า, ท, า, ท, าที่เฉยๆที่มีอยู่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 หลังไหลกันมาไหลกันมาเดี๋ยวนี่มันหายไปไหนมันหายไปไหนบอกเอาไปไหนเ ม, มื่อไหร่ไมไม่คิดละ่ะเคยพูดกับมันไม่รู้มันไปไหนเอเห็นไหมมันหายไปธรรมะธรรมะที่เราทํำนี่แหละลูกหลา น, นนานทั้งหลายทึ่เป็นลูกหลานทั้งหลายที่เป็นอุปสรรค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 อืมฉันพึ่งได้แล้วเห็นไหมพึ่งจิตของเราได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่แบบธรรมะคู่ชีวิตของเราสติคงรู้ตึกตัวใครจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมก็จะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเนี่ยเขาจะมาเขามากับเรื่องของเขาไอเราจะไปเยี่ยมเขานี่ยเรื่องเป็นเรื่องยาก เ, เนี่ยเพราะมันมีปัญญาวางออกมีปัญญาวางปัญญาตัวนี้วางลูกวางหลานอให้ไปอ่าตามชีวิตใครชีวิตมัน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 ไม่ได้อย่างเราและเขาก็มาต่อเยอเราอยู่ตลอดเวลาเยอะเย้ยเมื่อไรจะศึกเมื่อไรจะศึกหาลูกหาหลานแต่ไมไปคนเดียวทิ้งเอาแต่ตัวคนเดียวลูดทิ้งลูกทิ้งหลานโอ้ว่าไปทั่วไปสังคมจนเราไม่อยากไปเยี่ยมบ้านไม่อยากไปข้าวหัวมรดกมัน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 ปีละสองตัวสามตัวพูน้น่ะเศร้าซะเศ้าซะอม่ต้องไปเรียนเรียวเลนปจบพอแม่มึงไม่มีเงินเลือกเจ้ากี่เจ้าการอะไรเขามาบอกเราบอกผมไม่เรียนผมจะไปเรียนหนังสือผมไปอยู่วัดนี่เขาก็ว่าเราเราก็เอาตัวนี้แหละเอาตัวเขาดูถูกเรานี่แหละไปเป็นกําลังใจไปเป็นกําลังใจในการเรียนหนังสือเนี่ยในที่สุดเราก็ได้สำเร็จ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 แล้วก็บอกลูกบอกมิบอกคนด้วยตอนเช้ากูที่ทํากายบําบัดเนอะตึงตึงตังตังต้งเมันกูสักเนอเ <laughs> พราะมีคนหนึ่งผัวทํากายบําบัดอ่าเด็กก็เถียงตึงตึงดังตัง้ตงก็ไม่ไปหาผัวไปบอกลูกอี น, าน้าลูกขึ้นลูกถึงพอมึงซักเนอะพูดละ <laughs> ลูกก็วิ่งมามา ho, พอจะไปหยั่งจะเปหยั่งพอเจะไปหยัง กูเ่งเป็นอย่างน้าเจ้าอย่างตึงๆตังๆกูทํากายบําบัดคือหลวงพอบอกกูนี <c oughs> ee, hey, ่เห็นว่าที่หลังต้องบอกลูกบอกหลานหลานเพราะมันนอนคนละที่นึกว่าชักนี่ทําตัวนี้อ้าวตัวนี้สามารถทําได้นก네ายบําบัดของหมาของเรา네ทำทุกวันทุกวันเดียวมันก็ ขายไปเองนดขาก็จะเดินได้คล่องคราวนี้เราไปขึ้นบันไดขึ้นบวดที่ไหนปิ้วไปเลยปิ้วไปเลยแด็กเอวก็แก้ไขได้ทีนี้มาดูท่อนขามันหนักคนทั้งหลายปวดเขา่าคนทั้งหลายปวดเขา่าหลวงพ่อปวดเข่ามีบ่ปวดเขา่เขาเห็นยังไงล่ะเฮนอวันหนึ่งมาเกิดแป๊บขึ้นมาที่สมองเอาเก้าอี้มาวางบนเตียงเจ้าของเอาขาสขาไปวาง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 และเสียงของหลวงปู่นี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกติดลูกขามาหาวิ อ, อาจารย์เสียงเมือกีเก่าอยู่เสียงเมื่อกี้เก่าอยู่เธอจําได้ดิจําได้จาได้ตอนไหนตอนได้ตอนตะอคอกเธอใช่ไหมที่เธอทําผิดเธอไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเขาจําเสียงได้เพราะเสียงเราเนี่ยไม่ไม่ยังอยู่คงเดิมและอีกอย่างหนึ่ง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 และหัวใจของเราเนี่ยไม่มีกระทุกกระเทือนเราจะสวดมนต์สวดพรหรือจะทำเนี่ยลราไม่เคยเหนื่อยเลยไม่เคยเหนื่อยไม่หองหองไรแค่นี่เห็นไหมปอดพลังปอดบันดีและพลังต่างๆที่มันประกอบกันเขานี่แหละคือการมีชีวิตอยู่อย่างรู้จักรักษากายรู้รักษาใจและก็มีประโยชน์ที่จะประกาศสัจธรรมเผยแผ่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 ตอนนี้เขาเาไม่อยากให้เราหนีทีนี้เขาไม่อยากให้เราหนีละอ่ะก็ขอโนโมทตุขอทุกคนในเจริญในธรรมอ่ ะ, จะเจริญพร